สมาธิกันเป็นเวลาเข้ามาเทอมที่ก็ในระยะนี้เราก็คงกาลังจะผ่าน เ, เทอมที่สอง <c oughs> เพราะว่าเทอมที่สองนี้มาพูดกันถึงเรื่องสมาธิแล้วก็พูดกันถึงเรื่องญาณทั้งนี้ เพื่อจะได้ไม่ให้ใครมาหลอกลูกศิษย์้วได้ง่ายๆเพราะว่า hey. oh. พลังมาจากใต้ฟ้าบารดาลจากอากาศกลางหาวจากอะไรต่ออะไรเนี่ยมันไม่มันไม่ใช่เท่านั้นแหละพลังเขามันอยู่ที่ใจคนเนี่ย <c oughs> ใจของคนเราเนี่ยพลังมหาศาล เพราะว่าคนเรานี้ตายเกิดตายเกิดมานี่ก็ต้องจะปวดนับไม่ถ้วนแต่ร่างกายของเรานี่ยตายไปใจมัไม่ได้ตายตามร่างกายนี้ไปด้วยทียนี้ใจมันก็เลยอยู่กันเป็นร้อยปีพันปีหลายหมื่นปีอย่างเนี้ยเพราะฉะนั้นใจกับอิติมันกายอันเนี้ยจึงมีอายุ หลายพันหลายหมื่นปีในการที่อยู่มาหลายพันหลายหมื่นปีเนี่ยก็จะต้องสะสมมาอยู่ทุกชาติทุกชาติการสะสมเนี่ยเขาเรีย ก, กว่าสะสมตามธรรมชาติแม้จะได้น้อยแต่ว่ามันหลายหมื่นปีมันก็เยอะขึ้นเพราะฉะนั้นในใจของคนเราเนี่ยจึง สะสมถ้าเรียกว่าสะสมความดีไว้เยอะแต่ความดีเหล่านี้เนี่ยในเมื่อเวลาคนตายไปแต่ละครั้งเนี่ยจิตมันจะเข้าผวังแล้วเวลาจะเกิดเนี่ยจิตก็เข้าผวังอีกเวลาจะตายก็เข้าพวังเวลาจะเกิดก็เข้าพวังเพราะฉะนั้นพอเข้าพวังไปแล้วเหมือนกันกับว่าหลับแล้วตื่นขึ้นมาอย่างเนี้ยไอ้ความหลังมันก็ลืมไปหมด อ้ที่เก็บอะไรต่ออะไรไว้มันก็ลืมไปหมดเพราะว่า เ, เมื่อคนที่จะเกิดขึ้นมาครั้งแรกเนี่ยเวลาที่อยู่ในท้องเนี่ยมันจะจะรู้อยู่ว่าเราเป็นยังไงมายังไงไปยังไงแล้วก็เวลาที่อยู่ในท้องตั้งเก้าเดือนสิบเดือนเนี่ย ลองคิดดูว่าอยู่ในที่แคบๆความอึดอัดหรือว่าความอะไรสัางๆมันจะมีอยู่มากในระยะเวลานั้นก็คิดอยู่ในใจว่าถ้าเกิดออกไปเนี่ยเราจะไม่อยากจะกลับมาอยู่ตรงนี้อีกเนี่ยไอ้ความคิดคิดอย่างนั้นแต่พอเวลาที่เกิดพับขึ้นมาเนี่ยไอ้ความคิด ไอ้ความที่มันเกิดไอ้ความทุรนทุรายตรงนั้นเนี่ยมันลืมไปหมดเลยเพราะฉะนั้นพอเวลาคนเกิดมากระทบอากาศภายนอกมันจะร้องก่อนเรียกว่าเอ ะ, ะวังเข้ารวังพอออกรวังมาแล้วก็มาพบในสิ่งที่ เ, เหมือนคนสกเถว อ, อร่ออยวาพันวาอย่างเงี้ยมันจะวูบไปแล้วก็ มารู้สึกตัวขึ้นก็เรียกว่าร้องสุดเสียงแหละตอนนั้น <c oughs> ทีนี้พอรู้สึกตัวขึ้นมาแล้วเนี่ยมันจะไม่รู้แล้วว่าไอ้เวลาที่เราอยู่ในที่แคบแคบ ม, มันมีความทุกข์แค่ไหนอย่างนี้เป็นตน้นเพราะฉะนั้นในจิตของคนเราเนี่ยมันจะมียะเจ้ในสิ่งที่เราไม่รู้ว่าในใจของเราเนี่ยมีอะไรบ้าง อย่างเด็กที่เกิดมาเนี่ยมองรู้แล้วเนี่ยว่าเด็กคนนี้มันจะไปเป็นอะไรอย่างเนี้ยเรามองไม่ออกต่อไปมันกลายไปเป็นประธานาธิบดีหรือว่าต่อไปกลายไปเป็นอาจารย์ตอบเกิดมากลายไปเป็นอาชิพวันดีรัฐมนตรีอะไระนายกอะไสุดแล้วแต่าตอนเด็กเนี่ยไม่รู้ว่ามันจะไปยังไงเพราะว่าการสะสมอยู่ภายในจิต ของแต่และบุคคลเนี่ยเรารู้ไม่ได้อย่างนี้เป็นตน้นเพราะฉะนั้นในเรื่องของการทำสมาธิที่เราพากันเรียนกันมานี่ก็คือการที่เราจะค้นคว้าหมายถึงว่าค้นคว้าในจิตของเราเนี่ยมันมีอะไรบ้างสิ่งอันนี้ที่เรีย ก, กว่ายานยานที่เกิดขึ้นจากการทำสมาธิเนี่ย จะต้องรู้ว่าในจิตใจของเราที่เราทำอะไรมาตั้งแต่เมื่ อ, อไหร่อย่างนี้ยานอันนี้มันจะเกิดขึ้นมาได้ก็ต่อเมื่อเราทำสมาธิเท่านั้นทางอื่นนั่นรู้กันไม่ได้ <c oughs> เพราะฉะนั้นเมื่อเวลาที่เราทำสมาธินี่มันจึงมีการเขาเรียกว่า การตั้งจุดก็เรียกว่าจุดที่หมายเริ่มต้นครั้งแรกก็เรียกว่าเราเริ่มตั้งจุดที่หมายในก่อนที่เราจะมาทำสมาธิเนี่ยที่เรายังไม่ได้มาเริ่มต้นของการทำสมาธิเราจะหาจุดที่หมายไม่ได้เมื่อหาจุดที่หมายไม่ได้ทีนี้อารมณ์ต่างๆที่ เ, เข้ามาอ เรานึกเราคิดเนี่ยมันจะกลายเป็นในเขาเรียกว่ากระแสอารมณ์กระแสอารมณ์เนี่ยมันจะเกิดคิดแล้วก็โอนไปเอ็นอะไรเนี่ยมันไม่มีจุดทีนี้พอเวลาที่เราเริ่มมาเริ่มทําสมาธิกันเนี่ยเริ่มมีจุดแล้วทีเนี้คือหมายความว่าในลักษณะ ที่ก่อตัวจากความสงบด้วยกระแสจิตกระแสจิตหมายถึงความเกิดขึ้นของความนึกคิดแต่ความนึกคิดที่ถูกกรองด้วยสมาธิจึงเรียกว่ากระแสญาณอันนี้เราจะต้องจำตรงนี้ไว้ว่ากระแสจิตหมายถึงความเกิดขึ้นของความนึกคิดแต่ความนึกคิด ที่ถูกกรองด้วยสมาธิจึงเรียกว่ากระแสะยานเพราะฉะนั้นนะ่ะยานจะเกิดขึ้นนับตั้งแต่เราได้ดาเนินสมาธิมาแล้วเพราะอะไรเพราะว่ายานธรรมชาติของเรามีอยู่แล้วอย่างที่เราคิดการคิดงานได้เราทำอะไรได้เน่อย่างที่อธิบายให้ฟังเนี่ยมันมีอยู่แล้วแต่ทีนี้ มันไม่มีจุดไม่มีที่ตั้งและไม่มีที่หมายมันก็เลยเป็นยานที่เป็นเรื่องเป็นราวขึ้นมาไม่ได้ทีนี้ยานที่มันจะเป็นเรื่องเป็นราวขึ้นมาได้ก็ต่อเมื่อเราได้จุดที่หมายแล้วอย่างนี้เป็นต้นด้วยเหตุนี้กระแสะแห่งความนึกคิดนี้จึงเกิดขึ้นเวลาที่จิต ไม่ฟุ้งซ้านคือถ้าหากว่ากระแสยานมันจะเป็นกระแสยานขึ้นมาได้เนี่ยมันจะเกิดขึ้นมาในขณะที่มันไม่ฟุ้งซ่านเช่นความคิดที่วกวน่นวุ่นจับต้นชนปลายไม่ถูกอันนี้ยังเป็นยานไม่ได้คือหมายความว่า อย่างที่เรานึกเราคิดอย่างเนี้มันฟุ้งซ่านไปมันมันจับเป็นกลุ่มก้อนไม่ได้อย่างที่เรียกว่าญาณธรรมชาตินั้นเราจะใช้ไปหายไปใช่ไปหายไปมันจะกลับเป็นเงจะจับเป็นกลุ่มก้อนไม่ได้อย่างที่เรามีสติปัญญาคิดงานนู้นวางแผนนี้ทำอะไรต่างๆนั้นอันนั้นมัน เกิดขึ้นมาแล้วมันก็กระจายไปตามอารมณ์ทีนี้พอมันมาเป็นกระแสะยานเนี่ยอันที่อันที่นี้มันเริ่มจับ ก, กลุ่มได้เนี่ยเขาเรียกว่าเป็นกระแสะยาน <c oughs> กระแสะอารมณ์จึงใช้การแบบยานไม่ได้เพราะขาดประสิทธิภาพ อย่างเท่เป็นยานธรรมชาตินี่เป็นจริงแต่ว่าจะมาทำให้เกิดเป็นกระแสยานทำไม่ได้คิดได้จริงฉลาดได้จริงมีความ อ, อมีชาวนะต่างๆคิดได้แต่ว่า อ, อจะไปมีประสิทธิภาพเหมือน ก, นกันกับยานที่เราทำให้เกิดขึ้นจากสมาธิไม่ได้ นี่เพราะว่ากระแสอารมณ์ขาดพลังทำให้ไม่นิ่งพอคือมันไม่มีจุดที่หมายด้วยแล้วความนิ่งไม่พอด้วยเพราะฉะนั้นจึงเกิดเป็นกระแสยานไม่ได้อย่างนี้ <c oughs> จึงเป็นเพียงอารมณ์ แห่งอารมณ์นี้เกิดขึ้นอย่างไม่มีหลักประกันเกิดจากความโอนเอ็นไปตามจิตที่อยู่ในภาวะภายใต้การกดดันทั้งภายในและภายนอกจึงรวมตัวกันไม่ได้เชืออย่างที่เราคิดอ่านการงานต่างๆได้จริงแต่ว่ามันไม่มีการรวมตัวแล้วก็ไม่มีหลักที่ตั้ง ยานเหล่านั้นจึงเรียกว่าเกิดขึ้นมาแล้วก็สลายตัวไป เ, เกิดขึ้นมาแล้วก็สลายตัวไปส่วนกระแสของยานเขาเรียกว่ากระแสยานเราจะเรียกสองอย่างว่ากระแสอารมณ์และกระแสยานอย่างนี้ อย่างที่เรานึกคิดความฉเฉลียวฉลาดอะไรต่างๆหรือว่าเราเนึกคิดไปตามปกติเนี่ยเราเรียกนั่นว่าเป็นกระแสะอารมณ์ทีนี้ส่วนการที่เราได้ที่ตั้งเริ่มเริ่มได้ที่ตั้งอย่างสมมติว่าเราเริ่มมาทำสมาธิอย่างเนี่ยเราได้ที่ตั้งเป็นต้นว่าเราตั้งอยู่ที่หน้าภาก เราตั้งอยู่ที่หัวใจหรือเราตั้งอยู่ที่ตรงไหนเราได้ที่ตั้งการเริ่มได้ที่ตั้งนั่นคือเรียกว่าจุดที่หมายอ่เรียกว่าเริ่มได้จุดที่หมายแต่ก่อนหน้าที่ไม่ได้ทําสมาธิเนี่ยเรายังไม่มีจุดที่หมายแต่เมื่อเราเริ่มทําสมาธิแล้วจุดที่หมายจะเกิดขึ้นส่วนกระแสของยานนั้นมีพลังจากสมาธิ แม้พลังจะน้อยจนกระทั่งถึงมากก็คือพลังสมาธิเมื่อพลังสมาธิมีน้อยเราก็เรียกว่ายานตื่นเมื่อพลังสมาธิมีมากเราก็เรียกว่ายานลึกเมื่อกระแสยานเริ่มขึ้นก็เป็นจุดแห่งความเป็นกระแสยานเนื่องจากเกิดจากความตั้งมั่นของใจ ความโอนเอ็นก็หายไปเพราะเริ่มต้นแห่งจิตได้ที่หมายแล้วแม้จะเป็นที่หมายคือที่ตั้งของจิตในการบริกรรมก็ตามแต่นั่นหมายถึงการเริ่มต้นหรือการเริ่มกําหนดจุดหรือการกําหนดตำแหน่งได้แล้วเพราะฉะนั้นการทำสมาธิเนี่ย นับตั้งแต่เราเริ่มเราดำเนินมาก็จะดำเนินมากี่ปีก็ตามหรือดำเนินมากี่วันกี่เดือนก็ตามการดำเนินงานมาเหล่านั้นถือว่าเราได้ได้จุดได้จุดตำแหน่งคือได้จุดตำแหน่งแล้ว <c oughs> เมื่อบุคคลเริ่มต้นได้ดำเนินการ การต่อไปก็ดำเนินขึ้นก็เกิดขึ้นถ้าจุดเริ่มต้นเราได้เริ่มต้นแล้วการดำเนินต่อไปนี่มันก็จะเกิดขึ้นตามลำดับเราต้องคิดอย่างนี้ว่าอย่างคนคิดทำสมาธิเอาเองเนี่ยยังไม่มีครูไม่มีอาจารย์แต่เขาก็ตั้งแต่ว่ามันตั้งผิดตั้งถูกไปตามเรื่องแต่มันก็ได้ที่ตั้ง เพราะฉะนั้นกว่าจะได้ที่สั้งก็ใช้เวลาหลายปีอย่างนี้เป็นต้นก็ไม่ได้จะไปสั้งตรงไหนบางทีก็อาจารย์โน้นก็บอกว่าตรงนี้อาจารย์นี้ก็บอกว่าตรงโน้นเลยยุ่งกันใหญ่เพราะฉะนั้นไอ้จุดไอ้จุดขั้นแรกเนี่ยหลวงพ่อจึงบอกว่าไอ้จุดขั้นแรกกมันสําคัญไม่ใช่ไม่ใช่เรื่องธรรมดาทีนี้เมื่อเมื่อเกิดจุดแล้วเนี่ย การดำเนินการเนี่ยมันจะไปตามลาดับอย่างที่นักศึกษามาเรียนครูสมาธิอย่างเนี้ยพอเริ่มต้นทัหรองพท้ก็ต้องสั่งแล้วบอกว่าตั้งไว้ที่ไหนอย่างนี้เป็นต้นตั้งไว้ที่นั่นอันเนี้ย อ, อันเนี้ยเป็นหลักประกันที่จะทำให้การเกิดพลังจิตเนี่ยมีมากขึ้นมีมากได้ตามความ ประสงค์คือว่าถูกต้องน mm. อย่างที่ว่าไม่รู้จะไปตั้งตรงไหนเนี่ยอันนั้นบางทีทำไปสามปีอย่างเงี้ยมันยังสู้เราทำสามวันไม่ได้อาจจะเป็นอย่างนั้นก็ได้เพราะว่ายังคําไม่เจ็บอย่างนี้เป็นต้นที <c oughs> นี้การอบรมกระแสของยานเกิดขึ้น จึงเป็นการประคับประคองกระแสยาให้เป็นไปตามลำดับที่จริงแล้วที่อธิบายมานี้เป็นกิริยาอาการส่วนหนึ่งเท่านั้นเฮ อ, อย่างที่ว่าเมื่อเราตั้งใจแล้วเนี่ยเราก็ต้องตั้งใจตั้งใจแล้วเราก็ต้องตั้งใจอยู่ตรงนี้อย่างนี้เป็นต้นเมื่อตั้ง้แล้วเนี่ยกิริยาอาการต่างๆมันจะเกิดขึ้น ร้องพ่อก็บอกว่าทุกอย่างนั่นคือกิริยาของจิตมันจะแสดงอาการมาให้เราเห็นต่างๆสบายบ้างไม่สบายบ้างตลอดเป็นกระทั่งเห็นอะไรบ้างไม่เห็นบ้างไอ้อย่างนั้นเราไม่ถือว่าเป็นเรื่องสำคัญนะเรื่องสำคัญก็คือว่าทำยังไงพลังจิตมันถึงจะเกิดขึ้นให้มากที่สุด อันนี้เป็นเป็นสิ่งที่เราต้องการเพราะว่าจุดประสงค์ของการทำสมาธิก็คือพลังจิตก็เหมือนกับคนทำ ง, งานเนี่ยจุดประสงค์ก็จะเอาเงินเดี๋ยวบางคนก็จุดประสงค์บอกว่าฉันตั้งโรงงานมาเนี่ยฉันจะเอาเงินน่ะเข้าธนาคารร้อยล้านพันล้านอะไรก็ว่าแต่พอตั้งโรงงานเข้าจริงๆกบไม่เอา ไปเห็นว่ า, อ, าอะไรอ่ะมันสุขสบายที่ไหนอะไรก็อันนี้ไปเอาไอ้ความสุขสบายอันนั้นซะเงินก็ไม่เอาละคนอื่นเขาก็เลยเอาไปหมดซะกว่าจะกลับมาอ้าวโรงงานทางไปแล้วอย่างเงี้ยอะมันก็ไม่ได้ไม่ไม่ตรงจุดเพ้าะตั้งโรงงานมาแล้วเนี่ยมันก็ได้เงินมา เหมือนกันเราทำสมาธิอย่างเนี้ยเราก็ต้องการพลังจิตพลังจิตอันเนี้ยเมือเอ่อไปถึงจุดพลังอำนาจเพราะว่าเราทำจิตของเราเนี่ยเราทำไปทำไปทำไปทำไ ป, ทำไปเนี่ยมันก็มากขึ้นมากขึ้นมากขึ้นหลวงพ่อข อ, อแนะนำเลยว่าให้ถึงจุดพลังอำนาจ เ, เราเรียนรัดกันนะี <c> ้ย <oughs> ใครคือผู้รู้นะเราก็ต้องตั้งคำถา ม, ถามบางคนคิดว่าการตั้งคำถามนี้ไม่สำคัญมันไม่ใช่การตั้งคำถามเนี่ยมีความส ำ, สำคัญมากเพราะมันจะเข้าไปฝังอยู่ในใจของเราอยู่ตลอดจนกระทั่งเราถึงจุดพลังอำนาจเมื่อไรเราไม่ถามก็ไม่เป็นไรนเหมือนกับเราอ่านหนังสือออกเนี่ยเราไม่ไปหาครู เราหาหนังสือไม่ออกค่ะเราจะไปหาครูเนี่ยเนี้เราก็ไปโรงเรียนทีนี้มันจบมหกแล้วเรื่องอะไรเราจะไปหาครูอีกล่ะเ<ม>อพอแล้วอ่ะเพราะว่าไอ้ไอการ ท, ที่ว่าสั้งคําถามว่าใครคือผู้รู้เนี่ยเราต้องการถึงจุดพลังอํานาจพอถึงจุดพลังอํานาจแล้วเราก็ไม่ต้องแล้วเป็นอย่างนั้น เราไปเรียนหนังสือเนี่ยถ้าเราไม่ไปหาครูไปกี่สิบปีมันก็อ่านหนังสือไม่ออกแต่ถ้าไปหาครูแล้วเนี่ยถึงเวลามันก็อ่านออกเองด้วยที่เราไปพบครูอยู่ทุกวันทุกวันอย่างเนี้ยทีนี้เมื่อไปถึงจุดที่หมายปลายทางแล้วครู ก็คือเรือจ้างเต่ว่านั่นใช่ไหมละ่ะ <c oughs> นี่นะอะครูมันเสียท่างเขาอย่างเงี้ยหลวงพ่อกคงจะเป็นอย่างนั้นน่ะครูครูก็คือเรือจ้างอ่าก็จริงๆอ่ะถ้าเราจะไปอยู่บนเรือเราก็ไม่ถึงโรงพยาบาลสีรีราชอ่าเราจะข้ามคลองไปนั่นน่ะ ยังไงเสีเราก็ต้องสละเรือถ้าเราไม่สละเรือเราก็ขึ้นโรงพยาบาลเซดริราชไม่ได้ก็เป็นอย่างนันจริงๆเพราะฉะนั้น เ, <ST. S 1> เมื่อเราถามว่าใครคือผู้รู้นั่นคือครูแล้วมันจะถึงจุดพลังอํำนาจจนได้เราลองคิดดูซิว่าอย่างที่เขาเ อ, อไปเรียนหนังสือกันอย่างเงี้ยทางชันอย่างเงี้ย สี่สิบคนห้าสิบคนมันก็อ่านออกหมดน่ะมีคนไหนที่อ่านไม่ออกก็อ่านออกหมดทุกคนเกือเหมือนกับพวกเราอย่างเงี้ยอ่าต้องการถึงจุดพลังอำนาจหลวงพ่อมาบอกมันถึงได้ทุกคนลหละไม่มีใครเหลืออยู่ได้ยกเว้นแต่ว่าเอ้ยมันทำไมเร็วนักอ่ะอ่ามัน้าวตีเร็วอ่ะยังไม่ได้อ่านข้อความเลยนะ แล้วทีนี้ต่อไปอถ้าหากว่าเวลาที่เราทำสมาธิไปนี่หลวงพ่ออธิบายจริงอย่างที่ว่ากิริยาจิตเป็นอย่างนี้จิตจะต้องอทาให้ลงไปปฐมติยาฌานตรงนี้ทุติยาฌานตรงนี้ตัติยชฌานตรงนี้อันนี้เป็นอุปจาระตรงนี้ อันนี้เป็นคณิกะตรงนี้หรือว่าอันนี้เป็นสมาธิตื่นสมาธิลึกฌานตื่นฌานลึกญาณตื่นญาณลึกอะไรต่างๆเนี่ยมันเป็นเรื่องของการอธิบายตามความเป็นจริงแล้วเนี่ยเรามีหน้าที่ทาเราทำไม่จำเป็นต้องอ ไปนึกถึงคําอธิบายของหลวงพ่อให้มากนักะเพราะว่าเวลาทําเนี่ยมันเป็นอีกเรื่องหนึ่งจิตมันจะเข้าไปตามคนไกลของจิตเช่นเรานั่งมันก็จะไปตามคนไกลคือมันจะสงบบ้างไม่สงบบ้างมีสติ บ, บ้างเข่าชานบ้างสบายบ้างไม่สบายบ้างไอ้นี่มันก็จะเป็นไปอย่างนั้นแต่ว่าในขณะเดียวนั้นพลังจิตเนี่ย มันจะเพิ่มตัวของมันเรื่อยเมื่อมันเพิ่มตัวขึ้นมาเรื่อยแล้วกลไกที่มันจะไปของมันเนี่ยมันจะไปเองโดยที่ว่าไม่เหมือนกันหรือว่าจะเหมือนหรือไม่เหมือนก็คือที่กับที่หลวงก็ อ, อธิบายเนี่ยคืออธิบายนี่เป็นส่วนหนึ่งการทำเป็นส่วนหนึ่งเหมือนกันกับเม็ดมะม่วงอย่างเนี้ย เออเรามีหน้าที่อะไรเรามีหน้าที่เอ่อมีหน้าที่ใส่ปุ๋ยรดน้ําให้เม็ดมันงอกเมื่อต้นมันงอกแล้วก็มีหน้าที่ป้องกันมแมลงแล้วก็ใส่ปุ๋ยรดน้ํามีหน้าที่เท่านั้นส่ว น, นกลไกที่เอ่ามันจะเอ่อเกิดขึ้นมาเนี่ยมันจะต้องเกิดขึ้นมาเองเอ่าเหมือนกับที่เรานั่งสมาธิอยู่เวลาเนี่ย เราก็นั่งของเราไปในที่สุดเนี่ยสมาธิมันก็จะงอกขึ้นมา เ, เป็นพลังขึ้นมาถึงขั้นนี้ขั้นนี้ขึ้นมาเองเอแต่ว่าก็ให้ทำตามระบบคือใส่ปุ๋ยรดน้ำให้ถูกเท่านั้นเอง <c oughs> โดยที่ตนของตนไม่ต้องวิตกกังวลหรือขวนขวายให้มากเกินไป ยังมีสติคอยรับความเป็นจริงที่เกิดขึ้นในแต่ละครั้งเมื่อความเป็นจริงเกิดในจุดใดก็ตามจเจริญให้มากกระทำให้มากเหมือนกับบุคคลผู้ซึ่งแสวงหาตำแหน่งหน้าที่การงานได้แล้วก็พยายามทำงานนั้นให้บรรลุเป้าหมาย หรือเหมือนกับผู้ซึ่งได้ที่ดินที่นาที่ไร่ที่สวนมาแล้วก็พัฒนาให้ได้ประโยชน์ตามความหมายเป็นการถูกต้องเช่นเดียวกันกับกระแสะยานตื้นที่เท่ากันกับพบตำแหน่งหน้าที่การงานในครั้งแรกนั่นเองทีนี้อย่างที่หลวงพ่อบอกว่าลักษณะที่ก่อตัว จากความสงบด้วยกระแสจิตลักษณะที่ก่อตัวจากความสงบด้วยกระแสจิตอันนั้นคือญาณกระแสจิตหมายถึงความเกิดขึ้นของความนึกคิดแต่ความนึกคิดได้ถูกกรองด้วยสมาธิจึงเรียกว่ากระแสญาณเพราะฉะนั้นอกระแสจิตของเราที่ เกิดขึ้นจากพลังจิตอันเนี้ยนั่นคือกระแสยานเพราะว่ากระแสนั้นได้ถูกกันกรองด้วยสมาธิแล้วคือมีที่ตั้งแล้วมีจุดหมายแล้วมีที่ตั้งแล้วอย่างนี้ทีนี้ที่ไม่ใช่ยานนั้นความนึกคิดที่ไม่ได้ใช่ยานนั้นคือกระแสอารมณ์เป็นความนึกคิดเหมือนกันแต่มันไม่ได้ถูกกันกรองด้วยสมาธิ <c oughs> อันนี้คือการทวนความจำ <c oughs> สำหรับออในข้อความต่างๆนี้ก็คงจะไม่ผิดอะไรกับที่หลวงพ่ออธิบายมาให้รู้ว่ายานเป็นตัวนำสู่ความเจาะลึกด้านหนึ่งแยกออกจากปัญญาบางทีเรียกว่าปัญญายาน ขึ่นทั้งสองอย่างรวมเข้ากันก็เป็นสิ่งอัศจรรย์ที่ดีเลิศอันนี้เป็นข้อย่อให้เข้าใจว่า เ, เวลาที่เรานั่งสมาธิเนี่ยมันจะมีความรู้อันหนึ่งความรู้คือตัวคอยสังเกตการอย่างที่ว่าเวลาที่หลวงพ่อถามว่าที่ผ่านมาทําสมาธิเป็นยังไงมั่ง คนนั้นเขาคิจะตอบว่ามันมีลักษณะแม่ไม่เห็นเป็นยังไงเลยแต่รู้สึกว่ามันแข็งแกร่งขึ้นบางคนว่างั้นบางคนก็บอกว่าโอ้เดินเข้าไปในท่านในครูหาโอ้เห็นของดีเยอะแยะอย่างนี้ก็มีบางคนก็บอกว่าโอ้ตัวเบาบางคนก็บอกว่าโอ้ตัวเล็กนิดเดียว อ่าบางคนก็บอกว่าตัวใหญ่กว่าตุม่มอะไรอย่างงี้เป็นต้นแล้วผู้ที่สังเกตการได้เห็นว่าตัวเล็กนิดเดียวตัวใหญ่กว่าตุม่มหรือว่าเข้าไปในถ้ำเห็นอะไรหรือว่ารู้สึกว่าเอะเราไม่เห็นได้อะไรเลยไอ้ตัวนั้นนะ่ะเขาเรียกว่าตัวยานอ่าคือคือมันจะตามรู้รู้สิ่งเหล่านี้ไปทั้งหมดแล้วเกิดการวิจัยขึ้น ในตัวในตัวของตัวเองอันนั้นคือตัวยานที่จะถูกเพาะเพาะขึ้นให้เอเกิดยานต้นแล้วก็เกิดเป็นยานลึกอะไรต่อมาอย่างเงี้ยออย่างงี้เป็นต้นเพราะฉะนั้นเชงได้พูดบอกว่ายานเป็นตัวนําสู่ความเจาะลึกด้านหนึ่งแยกออกจากปัญญาบางทีเรียกว่าปัญญายานเมื่อ รวมทั้งสองอย่างเข้ากันจึงเป็นสิ่งอัศจรรย์ที่ดีเลิศอย่างเงี้ยกลายเป็นปัญญายาณอย่างเงี้ยคือหมายความว่าความรู้อย่างที่ว่าหลวงพ่อถามพอถามแล้วก็สอบว่าโอ้ยตัวเล็กนิดเดียวใครอะ่ะคนที่ตอบคนที่ไปเห็นนั่นแหละเ้าเรียกว่าตัวยานแต่ตัวนั้นน่ะจําเป็นที่จะต้องมีปัญญามีปัญญาเข้ากับ เออเข้ากันไม่ใช่ว่าเห็นเฉยๆเห็นแล้วก็ไปหลงมันอย่างเนี้ยมันไม่ใช่ยาณนนะทิฏฐิเขหลงหละทีเนี้ยกขาเรียกว่าเออสองอย่างไม่รวมกันสองอย่างไม่รวมกันจะดีเลิศไม่ได้เขาจึงเรียกว่าปัญญาเวลาที่เราทำจิตเนี่ยโดยจุดประสงค์เราต้องการพลังจิตตังหาก็เหมือนกับเราสั้งโรงงานเนะ่ะ จุดประสงค์เราก็จะเอาเงินมาใส่ธนาคารเหมือนกันแล้วถึงเวลาเงินถึงเวลาเงินจะได้แล้วไม่เอาอ่ะไม่รู้จะเอาอะไรอย่างเงี้ยอคนมีปัญญาหรือไม่ก็คือคนไม่มีปัญญาอเพราะฉะนั้นอการที่เรารู้ว่าเราเป็นอะไรในระยะนั้นแล้วก็เอามาเล่าให้หลวงพ่อฟังอันนั้นแหละคือตัวยอย่างและทีนี้ส่วนั้นต้องมีปัญญาด้วย แล้วก็เมื่อเป็นเช่นนั้นจึงจะเป็นสิ่งอัศจริบที่ดีเลิศเรียกว่าปัญญายาณซึ่งรวมทั้งสองอย่างเข้ากันนั้นจึงเป็นสิ่งอัศจริบที่ดีเลิศนะไม่มีใครดีเลิศเท่าแล้วทีนี้ถ้าหากว่าทำได้จะรักษาโรคใครก็ได้จะทำได้รู้จักใจคนอื่นก็ได้ทำได้ระลึกชาติผลหลังก็ได้ ทำได้รู้อนาคตก็ได้ทำได้เราจะช่วยอะไรใครสักคนหนึ่งก็ยอบได้อย่างเนี้ยเขาถึงเรียกว่าเป็นสิ่งอัศจรรย์ที่ดีเลยจบเฮ้ททำแบบนั้นได้ไงยังไม่ได้เล่าเรื่องหลวงปู่มั่นเนี่ย <c oughs> เมื่ อ, อหลวงพ่อไปรู้จัก กับพระอาจารย์คงมาจิระปุญโญเป็นพระอาจารย์ที่ไปสร้างวัดทีนี้มันกลายเป็นประวัติหลวงพ่อเองแล้วทีนี <c oughs> ้วันหนึ่งหลวงพ่อก็ไปจำศิลจํจำศิลอายุสิบสามปีนอกนั้นมีใจอายุหกสิบเจ็ด หกสิบเจ็ดสิบตามก่ำกวกาหกสิบคงไม่มีและมันก็แปลกประหลาดที่ว่าเด็กคนหนึ่ง อ, อ, อายุสิบสามปีไปจำศีลกับเขาใครเขาก็มองให้หนูนี่มาทำไมแต่ว่าเราก็ใจของเรามันตั้งแต่เกิดในวันนั้นแล้วเน่ยใจพริก เห็นบ้านนี่เหมือนกันกับอะไรไม่รู้แต่ว่าเห็นวัดนี่มันสวยมากมากบ้านเราก็สวยเหมือนกันนะแต่ว่าวัดสวยกว่าท้งๆที่วัดเป็นกระ๊อบอย่างนี้อยู่มาวันหนึ่งพระอาจารย์เขาก็บอกว่าไม่มีไม่มีไม้ไผ่ไม่มีไม้ไผ่จะสมบาต อกวิธีย้อมแล้ไม้ไผ่ไม่สมบาทหน่อยเราก็เอาไอ้เขียวกับไอ้ไหมแอ้งัวของโรงผ้าเนี่ยมันจะมีสองตัวตัวหนึงชื่อไอ้เขียวตัวนึงชื่อไอ้ไหมนีไอ้เขียวก็คือตัวดําหน่อยไอ้ไหมก็คือตัวเหลืองหน่อยแล้วมันจะเป็นคู่ชีพไอ้เขียวว้อยไอ้ไหมวันนี้เราไปทุมทําบุญด้วยกันนะ แต่ก่อนนะั้นไม่มีคําพูดอย่างเนี้หรอกมึนไม่ไปก็ไปตัดแทงเลยอย่างเงี้ยไอ้เนี้ยมันเกิดขึ้นมาได้ยังไงจิตใจของคนเนี่ยมันเปลี่ยนได้พอเป็นอย่างนั้นแล้วเนี่ยไปเกี่ยวไม้ไปทําบุญกันวันนี้เราไปตัดไม้ไผ่ถาวายอาจาร ย, ยา์เสร็จแล้วเราก็ขับเกวียนไปพอไปถึงก็ปล่อยให้มันกินหญ้าซะเราก็เอาไอ้มีดเนี่เลาะ ไม่ไผ่ไม่ไผ่ที่มันตายขุยอ่ะเขาเรียกไม่ไผ่มันตายแล้วโอ้ยหกว่าจะได้ฟันได้แต่ละต้นเนี่ยตั้งแต่เช้าจนกระทั่งเย็นอ่าได้มากองหนึ่งแล้วก็อุตสาขนพอขนเสร็จแล้วไอ้เขียวกไก่หายไปจ้อย <laughs> แต่ก่อนเนี่ยหลวงพ่อจะเอาเชือกมัดมันไว้ มัดล่ามมันไว้ไม่ให้มันไปไหนทีนี้เราก็มัดมันไม่ลงอ่ะก็เลยปล่อยมันนี่เนี่ยปล่อยมันแล้วก็ตัดไม้อยู่บอกแล้วบอกว่าทําบุญด้วยกันแต่มันก็คงไม่รู้เรื่องมันหนีไปก็เลยไปพอตัดเสร็จแล้วอ้าวหายไปไหนหาเกือบตายเยเดินไปเดินมามันกลับมานอนอยู่ที่บ้าน ก็ <c oughs> ดีเวลาจูงมงินกลับคืนไปลากเกวียนมาแล้วก็เข็นไม้มาถวายพระอาจารย์พระอาจารย์ท่านก็บอกเออดีฮนะวิริยามันศรัทธาแก่กล้าเขาบอว่าเราก็ชื่นออกชื่นใจอาจารย์ยกยอ <c oughs> <c oughs> ทำยังไงเนาะอาจารย์เราจะออย่อเรามากกว่านี่คิดว่ามั่นนะ <c oughs> ก็ไปหาตจังโมขายตังโ ม, งโมเนี่ยมันจะเวลาถางไร่แล้วเนี่ยเราจะปลูกตังโมจังโมสมัยนั้นลูกใหญ่ใหญ่อย่างเนี้ยเรายังจำได้ว่าไอ้เธอร์มันเกก็ทองวัดสันยอมมันคนสั่งมาจากอเมริกาสมัยนั้น <c oughs> เวลานั่นก็หาบหาบจังโมเนี่ยไปขายที่อำเภอสีคิว้ว ่คณะเฮ้ยคณะเรานี่ยังไม่ได้ไปใช่ไหมโอ้ยังไม่ได้ไปเห็นบ้านหลวงเพราะยังไม่ได้ไปเห็นอำเภอสีคิ้วบ้านใหม่สมํารองตั้งแต่บ้านใหม่สํารองไปอำเภอสีคิ้วน่ยมันจะสิบกิโลอ่าทีนี้ถ้าเราขึ้นรถไฟไปขายกลับมาแล้วรถไฟก็เอาไปสักสี่สิบสตังค์แล้วก็ไม่ไหวเดินเอาดีกว่าต่างฝนก็ต่างเดินอ่าก็ต้อง หาบทางละห้าลูกเอาไปขายไอ้เวลาใสทีแรกเนี่ยมันไม่ค่อยหนักนะหกเ็หกว่าเงั้ยยอมก็จะใส่หกลูกข้างละหกอ้า6กกอหพอไปถึงครึ่งทางไม่ไหวแล้วเชื่อกันหากินดีกว่าก็เลยชวนเพื่อนมากินซะ <laughs> ไม่ไหวเหมือนั้น อก็เลยเอาข้างละห้าลูกไปกินสัสองลูกอา่าไปขายพอไปขายเสร็จแล้วก็ขอยอมว่ายอมอยากจะซื้อน้ำมันเนตไปถวายหลวงพ่อกองมาอา่ขอยอม ส, สักห้าสตางค์สิเฮ้ยไปทํำไมต้องห้าสตางค์ว่าแน่น่ะอไปซื้อน้ำมันเนตหน่ะขวดหนึ่งห้าสตางค์แบบนั้นบอกเท่าไหยก็ไม่ให้ขอเถาลายไปทําบุญก็ไม่ให้ ยอมเอาหมดเออเราคิดยังไนดีเนาะเราจะได้ทําบุญเลยคิดขึ้นมาได้ว่าเออเรามันต้องเอาค่าหาบมาม <louder> <c oughs> แล้วขายได้วันละบาดทุกวันมันขายแต่วันละบาททีเนี้ถ้าขึ้นรถไปขึ้นรถมาก็เสียไปสี่สิบสตางค์มันก็ไม่ได้ก็เลยเอาอย่างนี้ดีวกว่าเราไม่เอามากเราค่าหาบครั้งละสิบสตางค์ เราก็มาบอกยอมว่านี่เวลานี้ขายได้เก้าสิบตังค์แล้วสิบตังค์มันหายไปไหนอ่ะก็ขายได้เก้าสิบอ่ะหวังนั่นนะจริงจิแล้วสิบตังค์เราใส่ไว้เธอเอาไปสอนไว้อย่างดีเลยอ่าแล้วทีนี้ลองคิดดูว่าเราหาบไปเนี่ยหาบไปหาบกลับเนี่ยยี่สิบกิโลต่อวันต่อครั้ง แล้วก็เก็บสิบสตางค์เนี่ยได้สิบบาทสิบเที่ยวก็ได้บาทหนึ่งเราลองคิดดูว่าแล้วมันกี่กิโลกี่เที่ยวพันเที่ยวไอ้ช่วยคิดหน่อยแซ่เเที่ยยววกกกิิโโลล อ่สิบเที่ยวก็ได้สิบเที่ยวก็ได้บาทนึงใช่ไหมล่ะอ่าร้อยเที่ยวถึงจะได้สิบบาทอ่าร้อยเที่ยวไม่ใช่พันเที่ยวหรอก <c oughs> แหมยอมนี่จริงนะ <c oughs> ใช่ไม่ใช่นักศึกษาเนี่ยอ่าร้ <c oughs> <c oughs> อ, อยเที่ยวใช่ไหมอ่ทีนี้พอร้อยเที่ยวเนี่ยลองไปบวกไปคูณกับ เที่ยวละสิบกิโลอะสิบเที่ยวก็ร้อยกิโลร้อยเที่ยวก็พันกิโลเนี้ยใช่ไหมพันกิโลถึงจะได้สิบบาทนพอได้สิบบาทแล้วก็ดีใจแล้วเรนี่ <c oughs> ไปเรียกเพื่อนไอ้เพื่อนที่พาเราไปวัดครั้งแรกหน่อยเขาชื่อว่า น, นางสาวพิกเราก็ไปด้วยกันนะมาไปซื้อกันเหมือนกันล้วก็ไอ้พันคนหนึ่ง เขาก็อคนละคนละห้าสตังค์มาช่วยเป็นสิบสตังค์ก็ไปซื้อไปถามพระอาจารย์ว่าพระอาจารย์เนี่ยจะเอาอะไรก็บอกว่าเอาจีวรจีวรพ อ, อจีวรทีนี้เราก็ไปไปซื้อซื้อผ้าเนี่ยผ้ามันจะไม้ละสองบาทห้าสิบไม้หนึ่งอ่ะสองบาทห้าสิบแล้วไม้หนึ่งเนี่ยมันจะสี่สิบ สี่สิบลามันจะได้จีวรห้าตัวเราก็นึกดูว่าสองไม้ห้าบาทสี่ไม้สิบบาทเงินเรามีสิบบาทเนี่ยเอเอาเอาไปให้หลวงพ่อกี่อันดีเนาะเอาไปให้สิบสิบห้าตัวพับหนึ่งแล้วก็เหลือเอาไว้ไปซื้อน้มันมาปี๊บหนึ่ง มันปิ๊หนึ่งก็ห้าสิบตังเองน้ปิดหนึ่งซื้อเข็มซื้อได้ซื้อสีมาเสื้อเทียนมาเสร็จขึ้นรถมาเอามาถึงเอามาถึงก็ขนขึ้นบ้านสิทีนี้จะไปไหน อ, ะอ่ะอ่าโยโมแม่มาเห็นเอ้ยมือไปเอาอะไรมาจากไหนเนี่ยมันตั้งเก้าบาทสิบาทแ น, ททเนนะ่เพราะว่าเก้าบาทสิบาทมันใช่เรื่นนะเพราะว่า ไอ้รถไอ้ร ถ, อรถดรอทรถกระบะรถคันหนึ่งเนี่ยคันละสองร้อยบาทเท่านั้นเอง <c oughs> ทีนี้ก็เราก็ไม่บอกอ่ะบอกว่าแกปไปขโมยใครมาโอ้ยไปขโมยของทำบุญได้ยังไงออื <c oughs> เดี๋ยวโยมพ่อก็มาแล้วทีนี้นี่ ee, แกปไปขโมยใครมาเพราะว่าเห็นถ้าจะโกหกไม่ได้แล้ว อ่านเนี่ยเงินขายจังโมโอ๋อ น, นั้นเองมันถึนได้เหลือเก้าสิบตาแล้วยอมจะว่าไงยงมก็ไม่ว่าไงถ้าว่าบาปนะเราวัาทันท <c oughs> ีเรามีหมอนใบหนึ่งเอาเข้ากันไปช่วยกันทีนี้ยองก็บอกว่าเอาไปทอดผ้าป่า ไปทอดผ้าฝาเวลาอาจารย์บิณฑบาตกลับมาแล้วก็จะได้ถวายเรื่องมเป็นอย่างนั้นเท <c oughs> นียงก็ยังบอกอีกบอกว่าไอ้ทอดผ้าฝาเนี่ยเขาต้องมีประทัดเราก็ไปซื้อประทัดมาสองตับพอเวลาท่านมาถึงจุดเลย <c oughs> <c oughs> อะไรไม่บอกท่านท่านก็ตกใจเิียกันตกใจก็ดีเสียเาะงาั้นบอกไม่ได้หรอก โยมพ่อกว่างั้นเราก็เอาประทัดซ่อนไว้อย่างดีคัท่านเดินมาถึงกัจุด ป, ปั้งเฮ้ hey! ยเหนอยนื่นยเนนกระโดดยองมันอะไรกันบอกว่านี่จะ่อกฝ่าหลวงพ่อแล้วโอ้ทำอย่างนี้เหรอในที่สุดท่านก็นกนเลยมาปังสกุลออกผ้า ได้จิวอนสิบห้าตัวนะห้าเจ็ดบาทเองอ <c oughs> เออโอ้คุยมากไปแล้วนะที <c oughs> น, นี้ก่อนห้าวันนี้เอาที น, นี้ก่อนต่อไปเป็นการถามตอบต่อไปก็ <c oughs> ขอเชิญคุณมาลินีพงศริรับกราบนมาส ก, การพระอาจารย์ค่ะปิดอยากถามว่า ขนาดที่นั่งสมาธิแล้วเกิดอาการเจ็บปวดขึ้นจะทำจิตอย่างไรก็คะ่ะเวลาเจ็บปวดขึ้นมาก็ทำจิตให้นิ่งทนทนทนี้ถึงที่สุดพ้าหาว่าทนถึงที่สุดแล้วนี่พเลยเจ็บแล้วนี่มันจะสบายเลยแต่ถ้าหากว่าทนไม่ไหวก็ หรือว่าวันพระไม่ใช่มีวันเดียว <c oughs> ทื่หลังทนต่ออันนี้วิธีการอะต่อสู้กันมามันต้องมีทีเพื่อทีชนะขอขอถามเพิ่มอีกนิดนึงได้ไหมคะไม่ทราบว่าจะวางจิตไว้ที่เดิมแล้วก็รู้อยู่ตรงที่ที่กําหนดหรือว่ารู้อยู่ที่อาการเจ็บปวดเจ้าค ะ, ะนั่นเป็นอุบายเขาเรียกว่าเป็นเปนเรื่องของอุบายของเราเอง เราสามารถใช้ได้ถ้ามันเป็นวิธีการที่จะแก้ความเจ็บปวดได้เราก็จะใช้อุปาย์ของเราก็ใช้ได้กาบขอบก็คุณจะะ้ะค่ะต่อไปขอเชิญคุณนวนตาหานสมบูรณ์การมนรรักานค่ะอาจารย์สิษยอยากถามว่ามิมิตรนะขนาดขณะ ที่ทําสมาธิถึงเป็นญานหรือไม่นิมิต ท, ที่เกิดขณะเราทำมาธิมันถึงเป็นยานหรือไม่อ่าสมาธิหรือนิมิต ท, ที่เกิดขึ้นเอนิมิตนั้นเอเรายังไม่เรียกว่าเป็นญานเพราะว่าเป็นนิมิตอาจจะเป็นนิมิตนี้ถ้าหากว่าได้รับการปรับปรุงของจิตเนี่ย จนกระทั่งเข้าถึงขั้นหนึ่งเรียกว่าอขั้นถุกพลังอํานาจเนี่ยนิมิตนั้นก็กลายเป็นยานได้แต่ถ้าหากว่าจิตยังไม่ทันถึงขั้นนั้นนิมิตก็คือนิมิตรมิตรก็เหมือนกับสันไปใช่ไหมค ะ, ะ น, มนี่นก็เป็นความฝันไปเท่านั้นอไม่ทิงไม่จังยึดถือไม่ได้ แต่ถ้าหาว่าเป็นนิมิต ท, ที่เกิดจากเอถึงขั้นจุดเรื่องน่าล้วอันนั้นก็จะเป็นจิตอันั้ตน่าจะเขาจะรู้เองว่าอันนี้คือของจริงและไม่จริงเป็นเหมือนความนึกคิดใช่ไหมคะอันจิตในมิตนั่นก็คือกิริยาของจิตชนิดหนึ่งนั้นฉันยาตถามว่ายานี้ก็เป็นเหมือนความนึกคิดที่รู้จริงหรือไม่จริง มันพิจารณาออมาเองว่ายา น, นั้นเป็นความนึกคิดแต่ว่าถูกกานกรองออกมาที่ได้อธิบายมาเมื่อกี้นี้แล้วองค์ความนึกคิดแต่ว่ามันเขาเรียกว่ากระแสะยาถ้าหากว่ายังไม่ได้รับการกกรองเขาเรียกว่ากระแสะอารมณ์ต่อไปขอเชิญคุณเอ นนหาเวจกุลกาตุสการพระอาจารย์ค่ะอยากจะถามพระอาจารย์เรื่องเกี่ยวกับเรื่องเออที่วันนั้นพระอาจารย์สอนนะค ะ, ะ, าาคะไม่ทราบได้ยินไหมคะได้ยินตอนแต่ว่เข้าใกล้ๆน้อยเอเรื่องเอญาณ น, นะคะว่าเกิดจากสมาธิแล้วก็เกิดฌ า, านใช่ไหมคะถึงจะญาณใช่ไหมคะอยากจะเอตัวมีข้อสงสัยตรงที่ว่า อพระอาจารย์คือบอกว่าไม่ให้หลงในชานะคะตรงนี้อยากจะอธิบายตรงนี้หน่อยนะคะที่ไม่ให้หลงในชา น, นั้นหมายความว่าเออยากให้ใจมันสบายมากเพราะมันเพราเพรมันสบายคือว่าอย่างคือว่ า, าเมื่อจิตมันจะเข้าไปชานเนี่ยมันจะรับเข้าไปแล้วหายไปเลยอ ต, ตรงนั้นมันไม่มันไม่ได้คลังจิต ก็ไปอยู่ความสบายทีนี้พอสบายมากเข้ามากเข้ามากเข้าเนี่ยพลังเฉลี่ยที่เราเก็บพักษาไว้มันก็จะหมดไปหมดไปมันก็จะกลายเป็นเอเอความความเคลิ้มชนิดหนึ่งอันนั้นเรียกว่าความหลงเพราะฉะนั้นก่อนที่จะไปถึงความสบายนี่เราพยายามกำหนดให้มันมีสติให้มาก ให้มากที่สุดเช่นอย่างเรานั่งขึ้นลมอย่างเนี้ยพยายามอย่าเพึ่งให้มันลงไปบางทีคนก็คิดว่าอยากจะสบายอ่ะกาหนดไัด้พอมันลงพุ่โอ้สบายดีก็เลยปล่อยไปเลยที่จริงแล้วควรจะต้องทำให้จิตเนี้ยะระวังตัวไว้ตลอดตลอดจนกระทั่งเห็นพอสมควรแนละ้วเอาก็ปล่อยไปได้อย่างนั้น แต่ธรรมดาชานก็จำเป็นที่จะต้องมีถ้าไม่มีมันก็เกิดความสุขไม่ได้แต่ถ้ามันมีมากมันก็เหมือนอาหารเราเนี่ยกินมากไปก็เป็นเบาหวานความดันขครรับสาขอพอบคุณค่ะอะต่อไปขอเชิญคุณนันทลักษ์ไพศาลเจริญกราบนมสัส ก, การพระ อ, อาจารย์ค่ะ ขออนุญาตกลับยนถามพระอาจารย์ว่าทำไมในการทำสมาธิของสิทธิเนี่ยเมื่อปล่อยคำบริกรรมแล้วจิตก็ไม่มีการดำเนินต่อคะหมายถึงว่าจิตก็จะอยู่นิ่งอยู่อย่างนั้นตลอดไม่มีการดำเนินต่อไปนจิตอันนั้นมันกำลังดำเนินในตัวของมันเองพอเวลาที่ปล่อยคำบริกรรมแล้วจิตก็ยังนิ่งได้นั้นถือว่าเข้ากันใน ยเยอะกว่าคำพันธ์ดีแต่ไม่มีการรู้สึกอะไรเลยนะคะ <c oughs> หมายถึงรู้สึกตัวแต่ไม่ไม่มีการดําเนินว่าจะสบายหรือจะอะไร อ, ะอันนั้นเนี่ถือว่าเรากำลันมีสติมีความโล่งอยู่เราก็ะอยู่ในความสงบวันนั้นอันนั้นถือว่าดีที่ที่เป็นเช่นนั้นนะรักษาอย่างนั้นไว้ได้นานๆหน่อยเป็นการที่จะเพิ่มพลงังจิตได้เยอะกาบขอบพระคุณค่ะ ต่อไปขอเชิญคุณนันทวันโตวิไก่กลับนันทการผ่ า, าจานค่ะิเ อ, อต้องการทราบว่าปกติแล้วสิตเป็นคนที่นอนหลับยากถ้าผิดที่นะคะเลขสองวันจะขึ้นเ อ, อขึ้นนบอยแล้วจิอยากถามว่ามีคาถาที่สั่ามาให้นอนหลับไหมคะคาถานอนหลับค่ะคาถานอ น, น, นหลับนี่ต้องการอักษรดาค่ะ หลงปาทันซาดาวมาให้อนอนตีห้าทุ่มตื่นเปิดที่แล้วนอนไม่หลับเลยนะะ <c oughs> ขนาดอยู่เดินบ้านเดียวกันนะคะแต่คนละห้องก็ยังนอนไม่ได้นะเพือที่เจะให้นอนหลับนี่เราต้องอทําตัวของเรานี่ให้มันเป็นใคล้ยๆกับว่ามันไม่ใช่ตัวเราถ้าหากว่าผ่าได้เนี่ยผ่าสองซี่ไปเลยอย่างเนี้ยเรารู้ว่า มีอะไรนี่มาเหมือนกับมาทุบปลบกศีาราะคำเหล่านี้มันละเอียดไปเลยอันนี้นึกเอาน่าอย่าไปทุกจริงจรนึกเอ า, าอย่างนั้นนึกศีรษะเรานี่เราเอาค้อนทุกทีเดียวกระแตกละเอียดนะและทีนี้พอมันแตกแล้วก็ใส่คำว่าหอยอดอสะระอุยุ อ่ามันยังเลยยังทุกใหม่เนี่ยทุกใหม่ถ้ามันยังน้อยเลยหลับทุกใหม่โยธเราเราจะตั้งจิตใช้คงไม่ขี้เที่ยวก็่าหลับอ่ะ <c oughs> แล้วข อ, ข อ, ขอถามอีกข้อนึงได้ไหมคะเอ่อพอถ้าสมมติว่าสิธินั่งสมาธิคนเดียวนะคะจะมีความรู้สึกว่าจะมีคนเดินรอบๆตัวสิทธ์นะคะแล้วก็มีคนนั่งเอ่อบางบางครั้งจะได้ยินเสียงนั่งนับประคำนะคะนั่ น, น, นเป็นเน่ย มันเป็นไอ้กิริยาเขาเรียกว่ากิริยาจิตมันไม่มีใครเดินหรอกแต่มันเป็นกิริยาของจิตความรู้สึกพอเวลาจิตมันเงียบมันสงบลงไปแล้วมันมันจะรู้สึกเหมือนคนเดินบ้างเหมือนลมพัดบ้างอสิ่งเหล่านี้เขาเรียกว่ากิริยาจิตชนิดหนึ่งเราก็ไม่ต้องวิตกกังวลนะเราตั้งจิตเฉยเฉและเมื่อที่ทีพ่พระอาจารย เอ่อบอกเลยคะ่ะการเข้าผาวังนะคะเพราะสิเป็นคนที่เลเข้าผาวังเร็วมากเลยค่ะนั่งสักคู่หนึ่งก็เข้าผาวังไปแล้วเนี่ยค่ะขณะบริกรรมผู้โทก็ยังเข้านะคะ อ, อก็ต้องชะลอหน่อยเพราะว่าการเข้าผาวังเร็วมันจะเราจะได้พลังจิตน้อยไปนั่นจะจะแต่ละคร้ร ก, รก็คือการชะลอก็คือการบริกรรมบริกรรมเอาไว้แล้วก็ตั้งสติเอาไว้แต่ถ้าหากว่า มันจะเข้าก็ต้องปล่อยแต่ก็ต้องพยายามตั้งไว้ให้นานหน่อยอออต่อไปขอเชิญคุณงา ณ, ณนาฏวรางทีคสุกกราบนมัสการหลวงพ่อพระอาจารย์ลูกอยากจะกราบเรียนถามว่าการที่คนป่วยมากจนช็อกหัวใจหยุดเต้นไปแล้วในช่วงเวลาที่หมอแบบปั๊มหัวใจให้ฟื้นประมาณสักสิบห้านาทีจิตวิ ญ, ญญาณของเขา ในช่วงนั้นเนี่ยจะเข้าไปอยู่ในฌานหรือว่าออกนอกร่างไปเลยคะ่ะเวลาหยุดเวลาหุดนี่ยจิตวิ ญ, ญญาณน่าจะออกไปแล้วพราะออกไปแล้วจะนี่คิดได้ก็กลับมาใหม่แล้วถ้าถามว่าในช่วงที่ว่าหมอแบบปั๊มให้หัวใจเต้นขึ้นมาใหม่เนี่ยจะเป็นไปได้ไหมเจ้าคะที่ว่าเป็นจิตวิ ญ, ญญาณอื่นเข้ามาสู่ร่างเนี่ยค่ะไม่ได้เจ้าค่ะเข้ามาไม่ได้่ แล้วทำไปที่เข้ามาได้ยังคงเป็นเล่นหนังมากกว่าไม่ค่ะพี่ลูกถามอย่างนี้เพราะว่าตอนช่วงที่แบบคุณแม่ป่วยจะเสียนะคะเขาก็จะมีอาการแบบนี้แต่พอแบบหมอปั๊มหัวใจให้ฟื้นขึ้นมาได้เนี่ยคุณแม่แบบจะพูดไม่ได้แล้วก็แบบมีความรู้สึกเหมือนกับว่าไม่รู้จักเราอย่างนั้นนะคะทําให้ลูกเข้าใจว่าอาจจะเป็นคนอื่นหรือเปล่าที่เข้ามาคุณแม่เป็น <laughs> ไม่ได้ฮไม่ได้เจ้าค่ะิทธิใครใคร ก็สิทธิของใครของเราใครจะมาแ<ะ>ยี่งสิทธิร่างกายนี่มันมีอิสระเขาเรียกว่าอิสระภาพซึ่งความเป็นใหญ่ในตัวคนเราเนี่ยทุกคนเนี่ยเราจะเป็นใหญ่ในตัวของเราใครจะมาแย่งสิทธิไม่ได้อันเนี้หลวงพอ<ะ>าอเจ้าค่ะแล้วย่งถ้าหากว่าหลวงพ่อบอกว่าเข้าไม่ได้เนี่ยแ ล, แล้วกรณีที่ว่าขี่เข้าร่างคนเนี่ยเป็นไปได้ยังไงเจ้าค่ะ อ้ผีเข้าล่างนี่มันอันนี้มันแทรกแซงเฉยๆมันแทรกแฟนแต่ว่าผีเข้าล่างนี่บางทีก็ใช่แต่คงจะน้อยมากแตจะี่คิดเอานี่ยมันเยอะกว่า <c oughs> อย่างคนที่เข้าส่งอะไรต่ออะไรเนี่ย <c oughs> มันเป็นเรื่องของ <c oughs> ไ, อไอ้จินตนาการมากกว่าแล้วมันก็เลยเกิดเพราะว่าเออ เออ เ, อ, อ, เ อ, อเพราะว่า อ, อหลวงพ่อหลวงพ่อเคยแล้วเคยเพราะว่าตอนที่ตอนเป็นเด็กเนี่ยเขาจะมีการเล่นสงการกันคนบ้านนอกอืมพอเล่นสงการแล้วก็ทำํำพิธีผีเข้ากันหลวงพ่อก็ไปเข้าก็เข้ามั่งเรื่องของเรื่อง น, นั้นแหละไปเข้าเข้าผีนังช่างเข้าผีริ่งลม ทีนี้หลวงพ่อใจมันไม่มันมันมันแข็งอ่ยใจไม่อ่อนอ่ะเขาต้องเอากลองมาตีตุบทุบทุบบุบบุบใส่รูเนี่ยมันก็ไม่เข่าสักทีนะคนมันตีจนมันเหนื่อยเราเราก็สงสารมันเข้าดีกว่ากระโดดเลยสวยน้่งๆมาแถว แต่ว่าทีนี้ไอ้คนนี่ยมันเข้ามันก็เข้าจริงๆอ่ะแต่อย่างหลวงพ่านี่มันเข้าไม่จริง <c oughs> ไอ้คนมันเข้า <c oughs> มันเข้าจริงอะ่ะโอ้ยลําพอนอะไรอะไรไปจริงๆนั่นคงจะอย่างนั้นไม่ใช่ผีหรอกเพราะว่ามันเป็นความอ่อนเอของจิตใจของบางคนแต่ผีจริงๆก็คงมีเทพบ้างมีอะไรบ้างอย่างนี้เขามีออย่างนั้นเคยปรากฏในคำพีว่า มีการเข้าสิงกายมนุษย์ได้ <c oughs> แต่เข้าสิงนั้นน่ะจมาเข้าเป็นเจ้าของไม่ได้ถึงเวลาแล้วต้องไปเอาละว <รา S 1> นี้ <รา S 1> คงหมด <รา S 1> หมดคำถามละ่ะหมดเวลา